จิที่ได้ชำระด้วยมีความผ่องใสเป็นประจำขณะที่เราอยู่ในสถานที่เงียบเงียบไม่มีเสียงปรากฏเลยเวลากลางคื น, คนแล้วจิตทั้งๆ ท, ที่ไม่รวมไม่สงบรวมเป็น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 กระทบทำตาทงหูทำนิ้นทำสมองทงกายก็ไม่ปรากฏในเวลานั้นทั้งท้งที่จิตไม่ได้รวมไม่ได้เป็นองค์แห่งสมาธิแต่เป็นฐานของจิตที่ทำละด้วยดีอยู่แล้วสแสดงความรู้ของตนให้เด่นชัดอยู่ภายในตัวเองความรู้อันนี้ก็เหมือนกับไม่มีร่างมีกายเป็นที่อาศัยอยู่เลย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 ไปกันมาหรือนั่งอยู่สะดวกสบายพาจุดเจริญเลนื่อยทำหน่องนั้นไม่มีความโศกเศร้างอหงอยเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันุ์เหมือนโลกสมมติเราความจริงหาได้สร้างไม่ว่าความที่ว่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชายที่บริสุดเดินกวาฝ่ายหรือนั่งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของตนด้วยความสุขความประเสกษมไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งขวนมันเป็นสมมุติอันหนึน่งนะ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 ยิ่งสิ่งที่พัวพันหมดสึ้นไปโดยประการทั้งปวงแล้วจิตนั้นแลเป็นดวงธรรมหรือธรรมนั้นแลคือจิตจิตนั้นแลคือธรรมธรรมทั้งแท่งก็คือจิตจิตทั้งดวงก็คือธรรมที่นี่เราจะสมมติอะไรไปไม่ได้เป็นธรรมล้วนแล้วภายในจิตแม้ท่านจะคลองคลองร่านอยู่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 จะทราบได้ชัดมเมื่อทราบชงทราบได้อย่างชาัดเจน่จึงนําเอาความจริงอันนั้นออกมาประกาศทำสอนโลกแล้วใครผู้ที่จะสามารถรู้ทำประเภทไหนนี้ได้อย่างรวดเร็วก็ทรงเล่ง่างทราบดังที่ท่นานทราบดาวบททั้งสองและเป็นจวคีทั้งห้าเป็นต้น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 พระองค์ท่านแสดงไว้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เหล่านี้นั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากเป็นจะขันธ์ของเรานีใจเป็นตัวประธานสาหรับรับผิดชอบทั่วดีทุกสิ่งทุกอย่างทำแนวจะมากถึงแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ตามแสดงไปตามอาการของจิตอาการของกิเลสอาการของธรรมากเป็นไปอย่างไรบ้างใน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 รูปธปาตุรูปประขันรูปทั้งปวงก็เป็นกองแห่งธาตุยู่แล้วนี่ยพนาสัญญาสังขารนิยามแต่ละอย่างก็เป็นเยงนามธรรมากดยิบยับยิบยับแล้วหายไปในขณะขณะจะถือวสาระแก่งสารอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่าเนี่ยปัญญาอย่างทราบเขาไปเดินกลับคือทราบตามความจริงซึ้งถึงจิตจริงๆ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 เข้าใส่กรมคือเข้เขารวมตัวในจิตดวงเดียวเท่า น, นั้นพิเรดอาสวะทั้งมวลรวมลงในจิต ด, ดวงเดียวเนี่ย ต, ต, ตัดาาข า, าดไปหมดหกิ่งก้านสาขาตัดไปหมดเลอว่าจะอยู่ในจิต ด, ดวงเดียวอจิตมาแต่ว่าเป็นเอามาเป็นลูกฟุตบอลก็ได้มาคลี่คลายเอาจนแหลกกระจายภายในนั้น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 จิต ก, ก็เป็นจิตกายก็เป็นกายเวทนาทะนั้นขันธ์ยานที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็เป็นขันธ์แต่ละอย่างางส่วนเวทนาในจิตนั้นไม่อยู่คาว่าปรมงสุขขังไม่ใช่สุขเวนทนามีสถานีพานังปรมาสุขขังปริพานเป็นสุขอย่างยิ่งคาว่าสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่เวทนาเหมือนเวทนา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 ห้นดันดานทีคืออมันตยานอยูยะธรรมมาสร้างคาราบมาเดียนะสัมปาเดธาหรือก่อนรู้สึูทั้งหลายพุดธโยโยเธอทั้งหลายจงพิจารณาสังขารที่เจริญขึ้นแล้วสวนไปหรือเกิดแล้วดับไปด้วยความไม่ประมาทเถอนั่นเท่านั้นแล้วปิดพระโอ